ก็จเจริญพรพวกเราทุกคนเนาะก็ะในสวดมนต์ทมวัดก็ฟังธรรมต่อสักหน่อยนะธรรมะก็เป็นเรื่องของชีวิตเรานรั่นแหละนะอย่างเราฟังเรื่องธรรมะที่พระท่านพูดหรือว่าเราอ่านเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะก็คือเรื่องของชีวิตเราเหมือนกันเราน้องเข้ามาใสตัว มาที่เราเคยได้ยินหรือเคยได้อ่านว่าพ่อพุทธเจ้าท่านแต่ก่อนอยู่พระราชวังนะพระราชบีดาไม่ให้เห็นอะไรข้างนอกวังนะหรือถ้าให้คนแก่คนเจ็บคนตายเขาออกไปข้างนอกไม่ให้พรอพุทธเจ้าท่านเห็นเราก็ยเคยได้ยินว่าพอพระพุทธองค์ท่านเห็นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ท่านเสดความสลดตําเทศมากว่าที่ำไมชีวิตคนต้องเป็นแบบนี้เหรือชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นเหรือชีวิตของพันญาเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหรือท่านก็เริ่มคิดแล้วนะคิดหาทางออกว่าทาไมเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วเขาก็เป็นทุกข์เนาะเหมือนกับที่พวกเราเห็นทุกวันเ่ยนะใช่ไหมแล้วก็เห็นคนเจ็บนะเขาก็เป็นทุกข์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 พอพระพุทธเจ้าเองก็พอได้เห็นนะก็เลยเกิดความคิดว่าเออเราจะทํายังไงถึงจะช่วยคนให้พ้นจากจากความทุกข์ตรงนี้ได้นะทุกข์เพเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหรือว่าทุกข์เพราะว่าเราเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะท่านก็เห็นอีกอย่ยางนึ่งเห็นเห็นสมณะนะ่ะสมณะคือ น, นักบวชนะเออทาไม ยังมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่เขาออกบวชเขาออกบวชเพื่ออะไรเคลื่อนย้ายก็คือออกบวชเพื่อหาทาอ ง, งออกจากความทุกข์ตัวนี้แหละแต่จริงอนมาว่าบางทีพระพุทธเจ้าก็อ า, าจจะเหมือนเราเนี่ยแหละนะท่านคงเคยได้เรียนเคยได้ฟังเคยได้ผ่านอยู่บ้างแหละว่าในโลกนี้ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเนาะ อย่างท่านเรียนคำคีพระเวทคำคีในศาสนาพรามณ์มันก็ต้องมีการมีคํากล่าวในพิธีบูชานะเวลาคนตายหรือว่าทําบุญอะไรต่างๆมาว่าท่านก็คงได้ยินนะได้รู้เหมือนเราแหละแต่เพิณแต่ว่าในตำราบอกว่าท่านไม่เคยเห็นแต่มาเชื่อว่าท่านน่าจะเคยได้ยินได้ผ่านหูผ่านตา ม, มาบ้างแหละแต่พิณแต่ว่า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 แต่ก็ไม่ได้ทุกไม่ได้กังวลใจนะ่นมากมายเราก็เห็นนะเห็นคนพวกนี้แตกต่างกันไปแตกต่างที่การที่การวางใจใช่ไห ม, มไม่ได้บางทีโดยภายนอกเนี่ยเราก็บางคนก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บหรือว่ามีญาติพี่น้องป่วยก็เป็นธรรมดาที่เราต้องเจอแต่ความแตกต่างของคนอันนี้คือการวางใจวางใจวางใจอะไร วางใจคือเข้าใจความจริงอยอมรับความจริงเมื่อเราป่วยหรือเราเห็นคนป่วยเกวนใหญ่คนป่วยที่ทุกข์ก็คือไม่อยอมรับความจริงไม่อยอมรับว่าทำไมต้องเป็นเราที่ป่วยทำไมต้องเป็นญาติของเราที่ป่วยทำไมต้องเป็นเราที่รักษาไม่ได้ al, <laughs> ทำไมต้องเป็นญาติของเราที่รักษาไม่ได้ด้วย <t> ต้องตายนะคือ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 ก็ไปโทษไปโทษว่าทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีทำไมคนทำไม่ดีก็ยังรอยนวลก็ยังสุขสบายอยูนะ่ก็ไปคิดแบบนั้นนะเยอะมากนะคนก็เลยเสื่อมศรัทธาในความดีหรือว่าไม่มั่นใจในความดนะีแต่พวกเราเองก็อย่าคิดเช่นนั้นนะนั่นเะป็นเรื่องบางทีเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรม ความเจ็บไข้ที่ป่วยหรือว่าเรื่องการประสบปัญหาอหรือเรื่องราวต่างๆ ท, ที่เราเจอในชีวิตเนะี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างเราไม่รู้เราจะเจออะไรบ้างวันหนึ่งเราอาจจะเป็นคนป่วยเองวันหนึ่งเราก็อต้องตายแน่นอนเนะี่ยเราต้องเจอแน่นอนแต่สิ่งที่สําคัญนะนะเราต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับความตายให้ได้ นะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญกับความเจ็บป่วยความไม่สบายความแก่จนกรทั่งถึงวัาตายให้ไดนะ้เพราะวันนั้นนะ่ะเราจะทุกข์หนักถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจนะเราไม่มีที่พึ่งทางใจเราจะเห็นเลยว่าถ้าคนไม่มีที่พึ่งทางใจนะเขาก็จะทุกข์หนักมากแล้วหรือว่ายิ่งถ้าเราฝึกฝนตนเองจนะทั่งมีที่พึ่งตรงนี้นะเราก็ไปช่วยผู้ป่วยได้เยอะนะด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 เราจะดูแลเขาแบบไหนนอกจากเราจะดูแล ร, ร่างกายเขแล้วเราก็ดูเนะเาะโดยเฉพาะหมอหรือพยาบาลก็รู้ว่าบางทีการดูแล ร, ร่างกายมันก็มีข้อจํากัดได้แค่ระดับหนึ่งยาดีหมอดีพยาบาลดีอ <c oughs> เครื่องไม้เครื่องมือดีสถึงแวดล้อมดีขนาดไหน แต่บางทีมันก็รักษาไม่ได้เนาะเราก็รู้ว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วนะทุกอย่างก็เต็มที่แล้วแต่สุดท้ายเราก็รู้ว่ามันบางอย่างก็รักษาไม่ได้นะก็ต้องนะก็ต้องมีอีกอย่างหนึ่งนะใจดีใจดีคือนอะไร ใ, ใจของผู้ป่วยเองก็ต้องดีใจของญาติผู้ป่วยก็ต้องดีใจของ หมอพยาบาลหรือว่าคนที่ส่งเขาก็ต้องดีเพื่ออะไรให้เขายอมรับความจริงว่าเมื่อวันหนึ่งร่างกายเขาต้องตายเนะี่ยอย่างน้อยรักษาไม่หายแต่ขอให้ไปดีคำว่าไปดีไม่ใช่ว่าเราต้องดิชาร์จออกจากคนไข้ในสภาพที่กลับไปอยู่บ้านได้ปกตินะ่ะหรือว่าหายจาก โ, โรคเท่านั้นนะ บาทีเราสามารถส่งเขาไปสู่พบภูมิที่ดีได้นะการทำเรื่องเนี่ยการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะนอกจากช่วยในการรักษาเยียวยาร่างกายเขาหรือให้เขากลับไปอยู่บ้านได้ตามอัตภาพแล้วนะแต่บางเคสเราก็ต้องดูแลส่งเขาไปดีเลยนะส่งเขาไปดีก็คือว่าไปนะในพบภูมิที่ดี พบภูมิที่ดีคืออะไรนะพบภูมิที่ดีเช่นไปใจดีใจบุญคิดถึงบุญคิดถึงสิ่งที่คุณงามความดีที่ได้ทําก็อาจจะไปสวรรค์หรือบางคนรักษาศีลอย่างดีก็อาจจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะหรือบางคนจิตเข้าใจความจริงก็อาจจะพ้นจากความทุกขนะ์อาจจะเกิดเป็นโพงหรือ เป็นพระรหารหลุดคนแล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็ได้อันนี้คือเรียกว่าไปดีเนาะแต่มันก็จะตรงข้ามกับคำว่าไปไม่ดีถ้าใครไม่เคยฝึกหรือว่าไม่มีคนช่วยนะนำทางหรือบอกทางเนะี่ยโอกาสที่จะไปไม่ดีก็จะเยอะนะแล้วก็เห็นเนาะไปด้วยความห่วงห่วงลูกห่วงหลานห่วงนั่นห่วงนี่เนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยากจะไปนะ ก็อาจจะเป็นวิญญาณที่อาจจะยังอยู่ตรงนั้นอยู่หรืออาจจะเป็นเกิดเป็นบางอย่างที่ทําให้บนเบียรอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างในสมัยพุทธกาลนะก็มีอันนี้ขนาดแม้แต่เป็นพระนะที่จริงท่านก็ตั้งใจปฏิบัติระดับหนึ่งนั่นแหละนะแต่ท่านก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลนะมีวันหนึ่งรู้สึกพี่สาวท่านมนะนะพี่สาวถวายผ้าจีวร ใหม่ทั้งชุดอย่างดีเลยนะท่านก็ปิติดีใจเนาะที่พี่สาวถวายผ้าจีบอนใหม่ให้พอพอได้ของผ้าจีบอนใหม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ป่วยกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตเมืนะ่อนะเสียชีวิตแล้วนะปกติของของสมนะของพระเนี่ยไม่มีเป็นของเจ้าของนะเสียชีวิตแล้วไม่ได้ไาให้ไปตามญาติพี่น้องนะก็ต้องให้แก่สม สมก็คือให้กับวัดให้กับเนี่ยที่เราอยู่นะปก ต, ติถ้าแบบพระท่านเสียชีวิตจีวรของใช้ต่างๆก็เป็นของสมนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกบอกหมู่สมว่าเดี๋ยวภาใจจีวร น, นี้เนาะอย่าเพิ่งให้แกภาพรูปใดรูปหนึ่งนะเอาจริงไว้ก่อนเจ็ดวันนะพระสมก็สงสัยว่าทำไมต้องต้องต้องรอถึงเจ็ดวันถึงให้รูปอื่นด้วยนะ พ ร, ระจ้าท่านก็เลยอธิบายว่าอาพระสงฆ์ที่เพิ่งเสียชีวิตนั้นแหละนะท่านห่วงท่านห่วงจีวรชุดนี้ห่วงห่วงจีวรชุดนี้ท่านท่านตายไปก็าภาษาเขาเรียกว่าตายไปและไกลก เ, ป เ, ปเป็นเกิดเป็นเลนเป็นคล้ายๆเหมือนแมลงเพืก็ได้ที้มันเกาะอยู่ตามผ้ า, าเลนเนี้ยจะมีอายุ ประมาณเจ็ดวันเนื่องจากท่านห่วงท่านห่วงจีวรชุดนี้ท่านก็เลยตายไปแล้วก็เกิดมาเป็นเลนก็เกาะอยู่กับจีวรชุดนี้แหละก็มีจิตคิดว่าจีวร น, นี้เป็นของของเราอยูนะ่คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้ประมาณว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากให้จิตของท่านเกิดความโรกนะถ้ามีคนอื่นเอาไปใช้แล้วเกิดความโกรธ อาจจะไปกัดไปอะไรพระรูปอื่นท่านก็ไม่อยากให้พระรูปนั้นที่เสียชีวิตทาบาปทำกรรมต่อนอะอท่านก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนเจ็ดวันเจ็ดนะวันหลังจากเจ็ดวันแล้วก็ค่อยเอาไปให้พระรูปอื่นใช้ต่อก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทําให้เราได้เห็นว่าบนงทีจิตที่ห่วงที่ห่วงเลยนะ่ะมันก็จะกลับมาตรงนั้นเนาะกลับมาอยู่ตรงนั้นอนะมันก็ไม่อยากที่จะไปนะ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 ยังทายความกังวลใจในความห่วงอะไรในในผ้าวกีวรตัวนีนะ้ไม่ได้นะอันนี้ไม่นับภาษานี้ขนาดพระนะักไม่มีครอบครัวก็วาอาจจะห่วงกีบรแต่นับภาษาพวกเราถือเนาะใช่ไหมเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีลูกมีหลานมีพ่อแม่มีหน้าที่การงานนะเราลองคิดดูถ้าเป็นตัวเราเอง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 รักษากายแต่เราจะดูแลเขาเหมือนเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นนีน่เขาเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะเห็นคนทุกข์เราก็เอาใจเข้ามาใส่ใจเราแล้วก็แต่เพื่มนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทุกข์ด้วยนะแต่เราก็จะพยายามหาทางให้เขาพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นด้วยอันนี้อยากให้พวกเราได้ทาหน้าที่ตรงนี้เนาะถ้าเราได้ทาหน้าที่ตรงนี้แหละ ส่วนหนึ่งคนป่วยเขาก็ได้รับได้รับกำลังใจเป็นธรรมโอสถ์ที่เขาหายจากโรคใครแทบเจ็บได้หรือหายไม่ได้ก็ช่วเราช่วนะเราความเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปบ้างอีกส่วนหนึ่งนะที่จริงจะทำให้เราเนี่ยแหละเกิดความนะสุขใจหรือว่าเกิดให้เราเห็นปัญญาในการเห็นความจริงด้วยนะนะถ้าเราทำหนะ้าที่ตรงนะี้มันจะทาให้เราน้อม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 มันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมถ้าวันนี้เราจะตายด้วยความที่ดงนะอยู่เนะี่ยเราจะเกิดเป็นแบบไหนถ้าเราน้อมตัองอ้งนนนะมันจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตเนาะเพราะชีวิตถ้าเราดูดีๆมันก็แค่นี้นะอย่าแต่มาตอนบวชใหม่ๆนะได้ไปอ่านหนังสือมนต์วิธีแปลไปเห็นรูปรูมหนึ่งนะโอ ร, รู้สึกสะดุดใจมากก็ ก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้บวชนานขึ้นก <c oughs> ็เห็นรูปอะไรมันมีรูปหนังสือมนวิธีนะรูป <c oughs> เห็นรูปคารดอกคนะา์ดกที่เกิดมาภาพต่อไปก็เป็นรูปเด็กที่กำลังเดินนะรูปต่อไปก็เป็นเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนหนังสือวัเรียนหนังสือต่อไปก็เป็นรูปนักศึกษานะกำลังเรียนระดับปริญนญานะ รูปต่อไปก็เป็นรูปรับปริยาบัติรูปนะต่อไปก็ทํางานนระูปต่อไปก็มีครอบครัวรูปนะต่อไปก็นะมีรูปกนะมีล้านนะแล้วก็แกนะ่แล้วก็เจ็บนะแล้วก็ตายนเะขาก็าเป็นรูปไม่ได้เขียนอะไรหรอกก็เป็นรูปมันวัตถจักรของชีวิตพวกเราเส่วนใหญ่นะ แต่เขาก็เขียนแค่นี้เดียวเขาก็เขียนว่าแค่นี้หรือชีวิต <c oughs> อืมชีวิตคนเราก็บางทีก็แค่นี้นะชีวิตนะพวกเราหลายคนก็บนมาแบบนั้นนะถึงวัยทํา ง, งานหรือบางคนมีลูกมีหลานะนะะยังเหลือบางคนก็อาจจะเคยผ่านมาบ้างแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยเนะอืมเหลือความแก่ความเจ็บความตายทีย่เราก็ต้องเจอแน่นี้นะ แค่นี้คือชีวิตเนาะประมาณว่าชีวิตเราก็มีแค่นี้แหละนะเกิดมาเราก็มาตัวเปล่าตายไปเราก็ อ, าอะไรไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าชีวิตเรามีแค่นี้นะเรื่องวัตถุสิ่งของเราก็จะไม่ได้ให้ค่ามันมากนะแต่เราก็มีนะมีเพื่อใช้มีเพื่อดำรงร่างกายอยู่ได้หรือเพื่อทำการทำงานหรือว่าเพื่อครอบครัวมันก็มี แต่มันจะทำให้เราไม่บ้าสนองไม่ต้องบ้าวิ่งไปสนองวัตถุสิ่งของมากมายเพราะงั้นชีวิตเราจะเหนื่อยมากเพราะที่จรงิงสิ่งนั้นไม่ใช่สาระที่แท้จริงของชีวิตแต่แม้ชีวิตเราเกิดมาแล้วสุดท้ายก็ตายเอาอะไรไปไหมเอาไปไม่ได้เนาะแต่มันก็เหมือนมันก็เหมือนกับสิ่งของที่เรามีนั่นแหละเรามีสิ่งของ ถ้าเราใช้สิ่งของให้เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับมีเรามีชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์อันนั้นแหละก็คือคุณค่าของชีวิตแต่ถ้าเรามีสิ่ง <acak S 2> ของเราใช้มันไม่เกิดประโยชน์อันนั้นก็ไม่มีคุณค่าเนาะมันก็ชีวิตก็แค่ผ่านไปวันๆหรือบางทีชีวิตก็เป็นโทษแก่คนอื่นได้ครับฉะนั้นชีวิตที่ดีก็คือเราก็ต้องทาชีวิตของเราให้มีค่า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 เรื่องราวในชีวิตมันจะเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคเจอกับเรื่องราวต่างๆบางทีเราก็จะเกิดความทุกข์ใจนะวเวลาทำงานแล้วเพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจวเวลาทำงานแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังคาดคิดไวนะ้หรือบางทีเราเจอกับคำนินทาเราก็จะเกิดความทุกข์ใจนะนะเกิดความทุกข์ใจเราก็จะเครียดนะ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 แต่ก็ทําให้เราเหนื่อยเหลือเกินทําให้เราคิดว่าเขาต้องชมเราแบบนั้นตลอดไปะบางทีพอเราหมดอํานาจหมดตําแหน่งหมดอะไรไปเราก็อาจจะรู้สึกเฉาก็ได้นะเหมือนกับบางคนพอมีตําแหน่งสูงหรือว่ามีอํานาจมากพอหมดอํานาจก็อาจจะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเหมือนด้อยคุณค่าไปนะอันนั้นก็อาจจะเป็นความทุกข์ใจเหมือนกันนะอืม นั้นเราก็ต้องฝึกใจของเราเนาะให้ให้เข้าใจความจริงนะเราน้อมสิ่งต่างๆเหล่านนีะ้เข้ามาใส่ตัวเราแล้วก็เราทําหน้าที่ของเราให้ดีแต่ก็ต้องวางใจของเราให้ดีด้วยนะเพราะไม่งั้นเรื่องราวที่ดีก็ดีเรื่องราวที่ไม่ดีก็ดีมันมากระกบใจมันจะตะเทือนใจจะบวนไหวนะใจตะเทือนใจบวันไหวนะั่นแหละเรียกว่าใจ มันทุกเนาะคําว่าทุกภาษาพระเนี่ยทุกที่ร้องไห้ก็ทุกนะทุกที่หัวเราะแบบจนทั้งดีใจแบบมากๆนี้ก็เรียกว่าทุกเหมือนกันนะภาษาพระีคําว่าทุกไม่ใช่ว่าต้องร้องไห้อย่างเดียวนะทุกคือมันเสียความเป็นปกตินดีใจมากๆาฟูไปเลยหรือแอบเหี่ยวไปเลยนี่ก็เรียกว่าทุกเหมือนกันทุกคือว่ามันไม่ปกติ ทุคือว่ามันบีบพันทําให้อยู่อยู่นิ่งๆไม่ได้บางทีภาษาพร ะ, พะคําว่าทุกเนี่ยแค่เราแบบอยู่กับตัวเราเองไม่ได้เราต้องหานั่นหานี่ทำมีมที่จริงเราอยู่เฉยไม่ได้เราต้องหาอะไรดูหาอะไรอ่านหาอะไรเล่นนะนั่กนะ็คือความทุกข์นะคือใจเราอยู่กับตัวเราเองไม่ได้ดังนั้นวิธีการก็คือว่าเราเรามาฝึก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 ให้กลับมันอยู่กับกายนะกลับมาอยู่กับกายนะให้ใจมันอยู่กับกายนะเพราะถ้ า, ถาใจเราไม่อยู่กับกายอ่ะมันจะเตลิดไปง่ายเลยพอมันคิดพุ๊บมันก็ไหลไปกับความคิดคนะิดถึงที่บ้านนะเราก็เห็นนะบางคนไปถามคนป่วยตอนนี้ใจอยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่บ้านนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ใจอยู่ที่บ้านนะเพอยากกลับบ้านนะพอใจอยู่ที่บ้านก็เลย คิดเมื่อใดหมอจะให้กลับอืเมื่อใดจะหายในชะ่ไหยก็เลยก็เลยไม่ค่อยมีความสุขใจเราเองก็ต้องระลังนะทีเราต้องทํางานอยู่ยังไม่เสร็จแต่ใจเราก็ไปอยู่ที่บ้านแล้วนะหรือใจเราอยากจะไปกินไปเที่ยวนะไปอะไรแล้วบางทีถ้าใจเราถ้าเราไม่มีธีดึงใจกลับมาอย่างเนีน้เราจะทุบทุกเพราะความบีบคั้นที่ว่าไม่สามารถทําอย่างที่เราต้องการได้นะอืนะ นี้เราแต่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเอาให้เก่งแบบในการจัดการนะเหมือนว่าต้องทำตามใจให้ได้ใจอยากจะทำยังไงต้องทำให้ได้อันนั้นจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจการฝึกสติการฝึกตัวเองไม่ใช่ฝึกให้เอาแต่ใจนะเช่นอยากจะทำก็ทำอยากจะกินก็กินอยากจะพูดก็พูดอยากจะคิดก็คิดนะแต่เราฝึกในแง่ว่าเราก็รู้กาลเทศะนะ อารมเทศานี้เราต้องอยู่เราต้องทำอะไรแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ขอให้ใจมันกลับมาด้วยคล้ายๆเหมือนกับตอนเราเรียนหนังสือเนาะมาว่าเชื่อร้อยทํางร้อยเนี่ยตอนเรียนไม่ได้จะมีความสุขตลอดหรอกใช่ไหมบางวิชาบางช่วงก็เบื่อดึงเหนื่อยหรือว่าก็ง่วงนอนอะไรไม่ไหวแหละแต่ทำไมแต่ที่เราผ่านมาได้เราเรียนได้เราสอบได้ เพราะเรารู้จักฝืนใจของเราใช่ไหมมันเหนื่อยมันน่วงมันท้อเราก็รู้จักกลับมาอยู่กับการอ่านอยู่กับการเรียนอยู่กับการสอบนะ น, นนี้เป็นการฝึกใจรูปแบบหนึ่ง น, นะที่จริงพวกเราก็มีพื้นฐานตรงนี้อ่แล้วนะแต่คราวนี้ในชีวิตจริงของเราบางทีก็จะมีหลายอย่างตรง น, นั้นนอกจากแค่การเรียนการทำงานใช่ไหมหรืเราก็ต้องฝึกใจเมื่อโกขึ้นมา ไม่ทำตามคอนโกรดนะกลับมาอยู่กับตัวเองนะวิธีการเนี่ยก็กลับมาอยู่กับร่างกายร่างกายเราทําอะไรเราก็กลับมาอยู่กับตรงนั้นนะหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกพลิกมือรู้สึกข้อนมะือรู้สึกเดินก็รู้สึกตัวเราเดินล้วก็รู้สึกว่าเรากาลังเดินอยู่นะเรากินข้าว ก็รู้สึกว่ากินข้าวอยู่ไม่ใช่กินไปคิดไปอ่ลย น, น, นะะคือกลับมาบ่อยๆแต่เราจะเห็นว่าอะไรธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมันจะไม่นิ่งเลยกลับมาแป๊บเดียวไปละกลับมาแป๊บเดียวไปละจะเห็นใจมันฟุ้งซ่านวิธีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งคือว่าเราเห็นจิตมันคิดแต่เราไม่ปรุงความคิดเห็นจิตมันปรุงแต่ไม่ไปปรุงต่อนะ การภาวนาที่เราใจเป็นกางมีสติคือเห็นจิตมันปรุงนั่นปรุงนี่สารพัเลยบางทีก็ปรุงดีบางทีก็ปรุงไม่ดีนะบางทีก็ปรุงมีสาระบางทีก็ปรุงไม่มีสาระก็เรื่องของมันเห็นจิตมันปรุงแต่อย่าไปปรุงกับมันนะเห็นนะสังเกตนะบางทีบางอย่างจิตมันจะปรุงเยอะเลยนะมันก็ห้ามไม่ได้นะจิตมันจะปรุงแต่งของมันเอง ปุงชอบปุงไม่ชอบปุงอยากได้ปุงไม่อยากได้เองนั่นนะนะปุงพอใจปุงไม่พอใจเราเห็นจิตมันปุงเรามีสติไม่ไปปุงกับมันก็คือว่าเช่นสมมติมันไม่พอใจก็เห็นว่าจิตมันปุงความไม่พอใจแต่เราไม่ต้องไปเสิมเชื้อให้กับมันก็คือว่าไม่พอใจแล้วก็ต้องแบบไปชิดอีกแปเอาเรื่องราวนในอดีต ท, ที่เขาเคยทําให้เราไม่พอใจอีกอมันผสม สอสามเรื่องไปปรุงต่อว่าจะแก้แค้นไปจัดการอะไรอยังไงอันนี้คือได้ว่าไปปรุงไปปรุงแต่งต่อเนาะจิตมันแค่ปรุงความไม่พอใจไม่ชอบขึ้นมาแต่พอเราไม่รู้ทันเราก็จะยไปเผลอปรุงแต่งต่ออันนี้วิธีฝึกนะมีสอนรูปแบบเนี่ยแหละนะอย่างนึงชือ่อว่ากลับมารู้สึกตัวกับการกระทํานะเราทําอะไรก็แล้วแต่กลับมารู้สึกตัวนะตต ว, ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่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 จบใหม่ๆก็ยังขีดยาไม่เก่งเนาะก็ยังนก็ยังทําอะไรไม่ํานานมากแต่พอเราทํำบ่อ ย, ยๆมันก็เกิดความํานานขึ้นธรรมะก็เหมือนกันบางทีเราจะไปคิดว่ามาปฏิบัติธรรมซึ่งวันวันหนึ่งหรือวเจ็ดวันไม่เห็นได้อะไรหรือไม่เห็นเปลี่ยนเลยบางทีเราก็เรียกว่าหวังผลมากเกินไปเนาะน่ะ เหมือนเหมือนอย่างพวกเราบางคนนอาจจะทุกคนก็ได้ไม่รู้ภาษาฝรั่งเศษนะสมมุติเนราไปเรียนแค่เจ็ดวันจะให้เราฟังได้อ่พูดได้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมนะขนาดภาษาที่มันเป็นเรื่องสมมุติที่มันอาจจะคนอีกไม่รู้กี่ล้านคนเขาก็พูดได้นะมันก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะเรื่องของใจเราเองก็เหมือนกันนะบางที๋ยวก็ต้องเข้าใจนะว่าบางที เราเคยไปปฏิบัติทำแล้วเคยฝึกไปแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือว่ามันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องเข้าใจว่าเหมือนเหมือนเราเรียนรู้อ่ะมันต้องฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยๆะก็ฝึกทั้งในชีวิตของเราแล้วก็ฝึกทั้งเวลาเรามีโอกาสแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบตัวเนี้ยแหะมันก็จะเรื่อยฝึกฝนนะฝึกอยู่ที่ตรงไหนฝึกที่กายฝึกที่ใจฝึกที่วาจาของเราเนี้ยนะ ธรรมะนี้ไม่ใช่ว่าต้องไปอยู่ที่วัดอย่างเดียวหรือว่าต้องไปที่ที่สบงบเทนั้นนะเราเดินอยู่ที่บอด <c oughs> ก็ต้องอยู่กับการเดินนะเรากินข้าวอยู่ที่โรงอาหารหรืออยู่ที่บ้านก็ให้ใจอ ย, อยู่กับการกินเรากวาดบ้านปู บ, บ้านก็ให้ใจรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่เราทำนะอยู่กับปัจจุบันถ้า <c oughs> <c oughs> ใจจะแว บ, บไปที่อื่น ถ้าใจจะไปอดีตไปอนาคตเราก็แค่ดึงเขากลับมานะหรือว่าอีกอย่างหนึงก็เห็นจิตมันปุงแต่งเห็นเฉยๆนะ่ะมันจะเป็นคืงแค่อาการ น, นะมันเป็นเหมือนแค่อารมณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เ ร, เราเคยเห็นไหมบางทีแต่ละวันเราไปตรวจคนไข้มองทีจะเห็นจิตเราเปลี่ยนนะแต่บางทีเราคิดว่าคนไข้ทําให้มันเปลี่ยนเช่น เป็นคนไข้คนนี้เขาอารมณ์ดีเราก็คอยมีความสุขไปด้วยเป็นคนไข้คนนี้เขาโวยวายเราก็คอยมีความทุกข์ไปด้วยเป็นคนไข้คนนี้เขาอาการไม่ดีเราก็รู้สึกแย่ถึงนคนไข้คนนี้อาการดีเราเลยรู้สึกดีขึ้นบางทีเราก็ไปเข้าใจว่าคนอื่นทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่จริงเพราะใจเราเองนั่นแหละไปไหลตามเขา <c oughs> ใช่ไหมเขาเป็นเหตุ เกิดขึ้นแบบนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคอยคอยจมหรือว่าคอยอินไปกับเรื่องราวที่เขาแสดงเนาะแต่ถ้าใจเราเป็นบกพริเราเต็มแค่แค่เห็นนะเห็นใจมันขึ้ น, ข, นขึ้นลงลงแต่ไม่ไปต้องไปกรุมกับมันต่อนะเราดูแบบเนี้ยเราจะเห็นได้ทั้งวันทั้งวันเ่จิตมันเปลี่ยนแปลงไปบ่อยมาก บ, าบับงคับบัญชาไม่ได้มัเป็นของมันเองมันไม่เที่ยงแล้วแต่เราเห็นไปบ่อยนะ มันจะเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นแค่เรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของใจจริงๆริการฝึกปฏิบัติจะเห็นว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายเขาแก่ร่างกายเขาเจ็บร่างกายเขาตายเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันนะไ อ, อจิตเนะี่ยมันเปลี่ยนแปลงสารพัดมันไม่อยู่นิ่งมันเป็ น, เ ป, นเป็นของมันเอง แต่จริงถ้าเราเห็นเฉยๆเราดูเฉยๆเนะี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าความเป็นปกติปกติคือไม่สุขไม่ทุกข์ดูเฉยๆนะไม่ไปอินกับมันไอความไม่อินกับมันเนะี่ยคือปกตินะถ้าใครทําได้แบบเนี้ยมันจะแบบไม่หวั่นไหวนะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวแม้จะมีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นดีใจเกิดขึ้นเกลียดใจเกิดขึ้นแต่มันเหนุนไม่หวั่นไหวเหมือนเราดูเฉยๆ พเราดูเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นผู้สุดไม่เป็นผู้ทุกนะตรงเนี้ยคือสุดยอดของของชีวิตนะพระพุทธเจ้าท่านมาค้นพบตรงนี้แหละนะท่านไม่ใช่ค้นพบวิธีที่จะทําให้คนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะแต่ท่านแค่ค้นพบวิธีที่จะไม่ทุกนะก็คือว่าท่านเห็นความทุกแต่ไม่เป็นทุกนะ เราเองก็เหมือนกันนะเราเห็นความทุกข์เห็นร่างกายทุกข์เห็นจิตใจทุกข์แต่ดูว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยคือการฝึกฝนปฏิบัติธรรมของเราเตัวนี้เนาะก็มาอาตมาก็พูดให้เราเข้าใจแล้วก็ให้เรามั่นใจในในวิธีการปฏิบัติหรือวิธีฝึกฝนก็จะเริ่มกันปฏิบัติร่วมกันสักหน่อยเนาะมีเวลาก็อย่างที่ว่า มันไม่ใช่เรื่องฟังแล้วจะ